แค่ควาจริงควเดียวเท่านั้นแหละให้เฮาลูสึกโตเฮาเนี่หละเป็นการปฏิบัติธรรมาเป็นการตื่นตัวลูสึกตัวเพื่อนเออนี่มีสติกะแม้มีปัญญากะแม้มีความรู้สึกตัวกระแม้บโนลงตนบนลืมตัวกระแม้มโนลงทายบนลื่นใจกระแม้มันเป็นความว่างสันต์เต็มห่างว่าหลายข่วมทำซู้สำสัำซากลับไปกลับมา ดังน <sa fe> ั <đầu> <onto> ้นคนมีปัญญาฟังแล้วแก้ไขตัวเองยาไปเฮ็ดตาบนิสัยเดิมถ้าหากคนใดยังเฮ็ดไปตามนิสัยเดิมเดิมนั่นก็แสดงว่ายังบทไหนแก้ตัวเองเขาต้องพยายามแก้ตัวเขาให้ผู้อื่นแก้ให้ตัวเขาไวได้เขาต้องแก้เขาเคยว่าจังซสี้ยนสิแล้วก็งดสักครูว่าแบบนี้เพื่อเฮารู่เสือกับหมกมันจะวาเขาเบิ่งหมกอ้วนบาหวามันคือเป็นนิสัยอีกหนึ่งยู่รู้จัก ขันทาวงเห็นมันอยากว่าว่าไปลดมันก็เป็นนิสยัยไปแท้แล้วมันก็เป็นสันดานไปแท้เนี่ย ถ, ถ้าหากว่ามันอยากว่าเขาเห็นเขาก็เลยเศรามันก็ออกแฉดิส่จถ้ามันอยากว่าอยากคิดเขาเห็นเขารู้ก็ไปว่าออกแก้นิสัยแ้สันดานไปเคยทําเคยพูดจังใดออกแฉไปก็คือว่าออกแ้ตัวเขา การแก้ตัวเห่าเนตีบชตมะแก้ให้าา่าเนตเทวดาบนเนตมะแก้เห่หเาเนตพระพุทธเจ้าเองก็บรมาแก้เห่เาแก้บอดามีแต่ว่าให้ฟั่งซิๆดังธธนั้นพุทธศาสนานั้งจรงว่ารู้แล้วที่จะงวนไว้ไว้คนอื่นรู้กับบอดารู้แล้วทําลายสักาะตัวตายซะกับบไดาบดาท่เนี่มันเป็นไปตามหน้าที่ของมันจริงจริงว่าทุกคนก็ต้องมีอันนี้ แต่ว่าคนนั้นจะรู้หรือบุรุษนนั้นเองถ้าคนใดบุรุษเขาก็เอื้นปุถุชนถ้าคนใดรู้เขาก็เอ้นสันปัญญาสมนี่เป็นวาังไงรือนเอียกว่าหันทาหากยมรู้เขาก็เอิ้นพระเลียบุคลถ้าหากเป็นพระรงรู้เก็เอื้นพระอนิยมสมเนี่ยเป็นวายังงถ้าคนบุรูษเขาก็เอิ้นปุถุชนถ้าพระทรบุรุษเขาก็เอื้นปุถุชนเป็น เจ้าผู้ทุกขนจึงมาแปลผู้หนาผู้แนบผู้ติดอยู่ในซื่อในเสียงในลาบในยศติดอยู่หั่นแหละไปโไดายขันติดอยู่ว่าถ้าบ่มีเวลาบ่มีโอกาสที่นะ่บ่บำเพ็ญตัวเองเมื่อบ่มีเวลาบ่มีโอกาสไม่ได้บำเพ็ญตัวเองเมื่อว่าอยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นั่งด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์มนวางตันอยู่อย่างสูง กินอย่างสูงนั่งอย่างสูงนอนอย่างสูงแต่ทำงานอย่างต่ำเท่นหไหร่ถ้าหากเป็นญาติเป็นโยมกระตา่างมันยู่ย่างต่ำกินย่างต่ำนั่งนอนอย่างต่ำแต่ทำงานอย่างสูงพ่อเขาเ็ดเ้ายเทหนาการชื่อการขายาการทำงานเขาทำเองแต่เขาโบอฟอยวางความคิดเขาพยายามดูความคิดของเขา พวกเอ็งจะมาดูความคิดของเฮาได้บมดเฮาก็ไปถึงที่สุดได้เป็นว่าทํางานอย่างสูงย่างสูงคือชีวิตนี่แหละบนแม่นะสูนอื่นนี่คือชีวิตคือจิตคใจมันบุคคลนี่แหลเขาที่เห็นอันนี้นี่แหละจะรู้อันนี้นี่อย่าสู้อยากล้วนอื่นมาถ้าหาเขาเลยอยากล้วนอื่นมากันผิดไปแล้วมันอยากรู้แล้วเนี่ยอยากไม่รู้อยากรู้ในทางที่ผิดอยากไม่รู้ คือบ่อยากรู้อของจริงคนนี้เอออยากบอรูอยากไม่รู้อยากรู้แต่เป็นอยากไม่รู้บ่อยอยากรู้ของจริงไนมะ่อยากรู้นี่อันใจเขาคิดว่าอยากรู้เนี่ยเขาบ่เห็นมันอันใคนคน น, น, น, น, นนี้เอออยากบอรู้เพราะอันนั้นมาบางังแล้วมันเป็นอะารกันทีว่ามันดึงเข้าไปแล้วเนี่ยมันนั่เป็นอารมณ์ไปนี่ยพอดีมันคิดปุ๊บเขาเห็นบังเขาก็ะบ่กอยากรู้เห็นซื้อเห็นแล้วรู้แล้วมันหยุดเอาซื้อ เมื่อมันหยุดเข้าไปหยุดเข้าไปหยุดเข้าไปรวมลูของเขานี่มันวายเขา้าวาเขา้าวาเขา้าอสิผมก็เคยว่า้ฝังผมปฏิบัติตั้งแต่เช้าเย็นตกเย็นผมก็เคยพู้จากผมคิดปกดชักเชื่อเทศสุอันสูแนวที่จะไป่อนที่ที่ดไดป ส, อ น, ดปสอนเทวดาทําอิจพู้จากผีพู้จากเทวดาพู้จาก เอาเข้ามาในแทคบันมันคิดมามาเข้ามาเขาเลยมู้จักที่มูจักเทวาดาเขแต่เทศสอนเทวดาต้องยืนดังนันง้นนั่งจังที่เนี่ยมันคิดไปดัง น, นั้นนี่มันอยู่แต่เทศสอนคนต้องนั่งจากนั้นยืนอย่างนี้คนเนี่ยมันคิดไปดังนั้นี้มันออกนอกตัวไปเลยเข้าไปในผมคิดคอะเพินว่าเอิญว่าลูกคิดลูกคิดไปนเต็มเรื่องเต็มราวไปซึ่งบ่เห็นผมคิ ด, ม, ม, คดมันลูคุมคิดมันลูกคิดไป คิดออกนอกตัวไปเป็นเอ็นวัลูคิดด้วงของคิดเย็นซกเย็นเพียจะอาบน้ำมาเอียนมายางไปยางมาค้ายๆ่ า, าคือมีคนมาทุกค้าในโูเนื้อคุณอ่ะมันแสดงออกานนมาในหูมันจะให้หูคืออย่างนแต่เขาหักโมโหเหมือนที่ซีน่ะผมยังต้องหาคนในน่นานยางอยู่ผู้เดียดนี่ผู้ใดมาทุกค้างคุณบอมันว่เห็นไม่อย่างนี้นครั ปานนั่นแหละมันแสดงออกมาเป็นปฏิกิริยาออกมาอันนี้แหละคือวิญยาณเกิดขึ้นหยาญเช่นว่ า, าวเช่นเอ้หยาญใหญ่ตาวเมียนเยี่ยมมหนหยาชาวมีนมันเลื่อยแห่มันโม้จักกับคอนตีหวัวปุ๊าใจมึงตีหวัวจักอันมึงคิดอยูเนี่ยเปีวารเนสุข้จักอัตัวของคิดทาที่บอกคิดครั้งที่สอน่โอ้มันคิดแล้วเด้งเนี่ยสมมจักโอ้มันคิดเด้เนี่ย คลิปครั้งที่สามนี่ยผมก็เลยมาเกี่ยอมันคิดเหตุคือแมวกับหนูตัวหนูมันอยู่ในหัมันอยู่บนมืดแมวเนี่ยมันอยู่บน แ, แ, แจงแต่ยโสบันบังหนูเหตุการณ์เซ้อๆพอดีหนูกออกมาทีแาแ่แมวมันโดดตะคุบยางแรงหนูมันกระดิกตัวได้สอกตายหนูแมวกินหนูจะมีเลือดความคิดท้อคือการก้าวเห็นจินงๆมันคิดว่าปุ๊บ มันทูกขหยุดทนันทีเลยครับทูกขยุดทันทีเมื่อมันหยุดแล้วมันก็ฆ่าใจตายแล้วครับเมืมันฆ่าใจตายแล้วเออตายคือหน้าวันมันตายคืนแมวเมตัวหนูมันเดี哈哈哈๋มันจับออกมาที่เอเลยู่กับห้อเห็ดหมูแมวมันจับกันบันนี้คันตัวหนูกระดิตัวแมวมันโดนจับอีกนี่วางไว้คันหนูมันเหน่งตัวขึ้นมาแมวมันโดนจับอีกที่เลยไปทานใดบ่ใด อันความคิดเราก็คือกันถ้าห้าเข่ารูอย่างที่เราผมเปรียบซื้อได้อันนี้ผมเห็นทางสารผมเปียบงโอ้มันเป็นอย่างที่ได้ผมคิดนี่มัน<ต>นานได้ครับผมคนเลยรู้จักประะมัดเราไปเยดะจิตใจผมผม ก, าวากว่าวัยนะผมไม่ว่าผมเป็นพระได้โหลดนุ่งกางเกงอย่นี้ได้ครับโอ้ โ, อโอูนี่เป็นพระได้เราเด้งน้ำหนักตัวผมร้อยกิโลผมสมุดใหญ่ อย่างน้อยที่สุดผมต้องเบาขึ้นหกสิบกิโลโลต์ะเดียวเพแต่ในขณะนั้นผมว่าผมเบาขึ้นแปดสิบกิโลยังเหลืออยู่ยี่สิบกิโลเรื่องหนักจิตหนักใจควมทุกมันท่วงอยู่นะครับแค่เขาโมจกว่าควมทุกข์โมจะควมทุกแบบนั้นมันทุกมันติดมาครับเพราะอย่างว่าไว้คนหนึ่งเกิดมาแล้วโบทําบาปจากเธอทำเจบุน เอาแต่บุญอยู่ เ, นนะเรื่อยผู้หน่งนะผู้นึงเกิดมาแล้วสิบ่เอาบุญทําได้บาปอยู่เรื่อยผู้หนึ่งบัดนี้มอจีตายแล้วบัดนี้ผู้ทำบุญเขาต้อ ง, งมีเงินแล้วบัดนี้ทำได้บุญได้แต่บุญเอาแค่อยา่างเขาเอาแต่บุญทํานั้นไป่ทานแต่บุญเท่านั้นผู้เหตุบาปนี้ก็ได้เขาเก็บมาสัน้นข่าหัวข่าค่วยข่าเป็ษข่าไก่ให้ว่าหาจึงเก็บไปอย่ า, า, ย า, สางสั้นหนึ่งไม่ได้ทำบุญเทียบัดนีตายแล้วิดยานแย่ไปจบนอนหลับยันบาป ก็เลยผู้ให้บุญก็อยากได้เงินแบบนี้ผู้ให้บ้ากับอยากได้บุญเนี่ยไปแลกกันไปข้ากันไปพบกันเลยแ้ว่าแต่ยังไงเนาะเจ้าอยากได้เงินบ่ญอยากได้เงินเนี่ยมันรับเอาบากไอยที่สร้างมาตั้งแต่ในน้อยคนอ๋อยมัดบาจเจ้าอ๋อยมัดเพราะทีมีเงินในตัวค่อยเนี่ยเพราะทให้เจ้ามัดแอันบุญเจ้าสร้างมาแต่น้อยพคนกับอีกต่างนึ่งอให้ค่อยให้มัด เลยจกหลงแลกการบุญสองคนผู้หนึงเคยสร้างบุญมากขามารับอบาตมัดผู้นึงเคยสร้างบานมากขาไปรับเอาบุญให้มัดทั้งสองคนนี้ลุกขึ้นโบได้เลยผมว่าผู้มีบุญเนี่ยเขเลยหนักบานมันเขาไปเต็งบ้านเต็งหัวหนักลุกขึ้นโบได้เลยผมนึกขึ้นทันเลยนึกผมเต็มผู้มีบุญเนี่ยกับพวกเคย เอออันผู้มีบุญเนี่ยกระนิดลุกขึ้นบ่ได้มันหนักผู้มีบาปเนี่ยกระมันหนักเมื่อกว่เคยเบาอย่างตอนเดินลมลุกขึ้นกระลมลุกขึ้นกระลมเพราะมันบุกเคยเบาได้มันหนักหมดหนักใจอยู่กันมันหนักเอาเขาจะให้ตังไดจะส่องแบ่งครึ่งกันเอาบาสเจ้าอันให้มาใจน้อยนึงก็เอาไว้ครึ่งหนึ่งต่าเอาเงินเจ้านั้นให้ค่อครึ่งนึงอันบุญเจ้าให้มาใจน้อยนงก็อาให้ค่อยครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งกันยูดนากันได้ไปนกันได้ ในบรูรโอมผู้ทำบาปเข้าไปได้ผู้ทำบุเข้าไปได้คนนี้ผมคำนวณดูอันนี้แหละผมคำนวณเลยเห็นจิตใจตัวเองโอ้โหเป็นอย่างสีนอกเกิดมาจากพอแม่เคยใช้ทานเคยรักษาชีิตเคยทำมาผมก็เคยเป็นทั้งสักเชือกครับจึงผมบ่นลงบรูรโอมเชือกแม้ทิ่มันคิดตายก็ยังคิดที่บรูรโอมเชือกเนี่ย พรามันเข้าไปในมันสมองเพราะว่าโตเวท น, รรนาทําหน้าที่ของมันโตสัญญาทําหน้าที่ของมันโตสังขารทําหน้าที่ของมันโตวิญญาณทําหน้าที่ของมันเนาะนีน่เขาเรียกวลูกตี่อั น, นี่เรี้กวานามลูกบัไม่แค่ไม่ขาเป็นสีบัไม่แค่ไม่ขาเป็นเทวดาโตเวทนาโตสัญญาโตสังขารโตวิญญาณเป็นเองผมเชื่อโมเสื้อครับอันลูกแค่แค่มันเป็นยังสี สูงมันก็สูงนางสีต้านมันก็ต้านัางสีมันเป็นนางสีใช่ไหมลูกก็มีสินมีสินลูกก็มีศิลหน้าที่ของลูกมีสินอันหนึ่งหน้าที่ของเวทนาก็มีสินอันหนึ่งหน้าที่สัญญาสังขาริญียกก็มีสินมีสินแต่เฉพาะตัวของมันคือตัวของมันเป็นปกตินะคือมันมีสิลที่ว่าสินที่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสย่างยากกิเลสยังยากก็จะแก้โทสะโมหโลภะนี่จะนบ วิเลตันรธรรมอุปทานนิสันกกรรมนิวิบาตกรรมตัวบนกรรมดีครับอันนี้เบาบางไปแล้วพ้องเห็นปรมาตย์ปรมาตย์เจ้าของสิงมันก็นยังทูกสมมุติเป็นวัตถุอีกต่อเพรา ะ, ะว่าเป็นวัตถุเป็นปรมาตยเป็นอาการถ้ามันเห็นใจนี่ด้อยญาณเกิดขึ้นจบเป็นมหากญาณเป็นญาณง่ยายญาณอันมีผู้จักเลยยิ่มีผู้สอนต่อผู้จกักโมมีผู้สอนต่อผู้จกัก โบไปท่องไปบ่นกับผู้จักพจนหน้าที่ของมันโบไม่ว่าโทสะโมหะโลคะยิเลสันหาอุปทานกรรมเงินองจนจนตายกขบไมีประโยชน์ที่อย่างนีง้ขนาดมุกเกิดขึ้นกันบดสําระตัวมันเองบเรียสำลักโตเองมันทําหน้าที่ของมันเองอันนี้แหละคือว่าปฏิบัติทําให้พุทธศาสนาจเจริญให้ลูกให้หลานเขาได้สื้ต่อไปเพราะว่าตต อ, อายุพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงถาวรต่อไปถึงเส้นลูกเส้นหลักเป็นเล้งเส้นหลอดให้เขาได้ประพฤติปฏิบัติตามไปเพื่อนว่ า, าสัง่งอันนี้าวา่าซื้อได้บ่อยนี่จะว่าซื้อเจ้าหัวกว็ว่าซื้อผู้ไปรักษาสิ่งก็ว่าซื้อผู้ไปให้ดีปรัชนากระวา่าซื้อมูลีมว ล, ลเดียวกันยังเลิกบูได้เนี่ยคําว่มมาคําเดียวกันยังเลิกบูได้เนี่ยแม่เจ้าไหอย่างตันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่นบอกให้เลิกเรื่องของมูล แต่ผมแค่โบเขัวใจผมเลิกตั้งแต่มันมาหอดมือห น, นีเครับแต่ว่าโอเวนตินผมพยายามผมติดอะไ น, นี้คันบุกินโอเวนตินจะท้องผมพูดเรื่กินโอเวนตินมาอยู่หลายปีผมตีตองเลยจ้ะอันนั้นแหละมันรูปมันติดครับรูปมันติดเนี้ยเลื้อหนาเน่ยมันติดมันต้องแก้อะนรกั น, นอะอย่างที่ผมกินเขาเป็นอย่างมือแหลงมัน้อนท้องอร น, นี่ ขันโมฮอนทอมันกับโมกินแล้วขันกินนันมันก็ทุนเราไปเพราะกระเพาะมันนอยครับกินแล้วโมพันเห็นไม่ผมกินนั่งอยู่ได้บวชโสกินเกินมันไปท่ายอมมดคำไปท่ายอมแล้วนํายนต์หมือนหมาเผาบโนฮอนบหมือนหาอันอะไรมากินให้มันเผาแล้วนั้นซื่อๆนี่นะครับแกโบได้แก้รู้เป็นแก้โบได้มันเป็นตามหน้าที่ของมันแต่ให้หัวจากไว้แก้เรื่องจิตใจบ่าให้มีทุกแก้ได้เนี่ยปได็ ผมขจิพยายามเอาละบ้านียู่ทั้งแต่นี้ต่อไปผมขจิพยายามแก้ไปเพื่อวันีบัให้มันลายแรงผมเก็บไเอาโอนตีนหรือเอาเครื่องบุ น, นอัวอวชจีกร ย, ทย์ท้ายคอ ง, นองนนหนึ่งที่อ่อนขบวไทยแต่ว่าไดนีเนทยมาดินมเพผมเอาน้ำตาลกับน้ตา ม, มาขึ้นเอาน้าตาลมาตรงใส่โอนตัดรงมือแก็เป็นลม สป็คนคิดทำพยาแก้ไขปัญหาตัวเองของผมเองผมพยายามแก้พยายามยามเลิกยี่พยายามพูดธรรมะนี่แหละพราะเวลานี่พอให้ว่าใก่ไก่ของที่ออกในปากแล้วอยากให้ทุกคนยพยายามเร่งงวดตัวเองในการแก้ไขตัวเองปฏิบัติตัวเองช้วยตัวเองของที่ได้สอนคนราดับเทคโนโลยีผู้ใดก็ให้สอนได สอนเฮารูจักรูปนามกันให้เขาสอนให้เขาเจ้าจากเรื่องรูปนามเจผู้ใดผู้จักท่านปรามะก็ให้สอนให้เขาเจ้ากู้จักท่านปรามะผู้ใดผู้จักห่อยันเลยสอนให้ผู้จักขยันยันเป็นสอนล่วงเกินไปซึ่งที่เขาบ่งเอถ้าหาเขาสอนล่วงเกินไปซึ่งที่เขาบ่งเอนะของจีนลงจีนบุญจับางทีเขาเจ้าผิดย์ขจั๊กแก่บอดายด้ขันทำทิดย์ทิพแก้บอดได้ก็เขาบูญจัก ตอนที่วหุ่จักจริงๆเนี่ยมันเข้าสู่สภาพของมันคุณได้ครับมันหู่นจักรเยอะไหมคือผมว่านะเสื้อมันตัดตรงกลางตัดมันเข้าสู่สภาพะขนาดนี้ทาที่เขาเข้าสู้สภาพะนาดนมันเห็นเลยครับโอ้อันนี้มันทําหน้าที่อันนี้อันนี้มันทําหน้าที่อันนี้มันหู่นจักรนั่นนั่นครับบัดนี้คันเขาคาดพุดตอนที่เราเขาจะไปติดขดสุดโบแมนนะครับผมติดไปได้ที่เต็ม ผม่าเคยเต็นนะครับผมโอ้ยเป็นเป็ น, น ก, กีโนเกมาเนียอย่างน้อยผมมาผมอยากตั45นาทีแต่ติดเนี่ยผมสุกวันมันคิดะอะไรฮะคุณเจ่าโอ้ยบได้อันเนยอกลับมาทวนพารมณเตะตนเนี่ยทวนไปทวนมาทวนไปทวนม า, นนมาเลยมันเป็นอารมณ์ย <ừ. S 1> ึดปัจจาแบบนี้เทียนเป็นอันที่ว่าเป็นปัญญามันได้ไปเขา้าตัวปฐมศาสตร์ภูปินาศาต ตาติเนตาจะสุธาต า, า, าปัญจมะมาตาปทุมมาตามีองค์ห้าเป็นวันาามีวิตกมีวิจารมีปีสีมีสุเมเอาามกัตตาเป็นวางของตำลาว่าได้เนี่ยปทุมมาตาไปว่าเห็ุไี่เหงจะมีเช่นตัวเฮานี่แหละปทุไปเบื้องแรกครับผู้ตีไปลว่าครั้งที่สองตะตีไปลว่าครั้งที่ 3, สามเห็นจัจตัวไปว่าหลวมครับปัญจะไปว่าพร้อมด้วยขันห้า คือลูกกับพร้อมกันเวทนากับพร้อมกันสัญญากับพร้อมกันสั้งขันกับพร้อมกันวิ้งานกับพร้อมกันปุ๊บแป๊เดียวขาดพุทธออกจากกันสืออส่อเพราะฉนั้นสื้อนี่นะม่นไม่ของยากเดยครับง่ายที่สุดแต่ว่ายากที่สุดตัวัายากจะไหน ย, ยากข้อหาโบโบจากเพชรนะง่ายที่สุดเลยก็ขันเพชรแล้วมันจ ส, สบายมันจะแลวๆนี่นะ่ะเป็นไงมันล้างมือแลยเนี่ยครับ ว่าสามเส้นหกเส้นผมมาจากยีจบคิดอื่นไม่มีคิดธุราที่ไปศึกษาอย่างอื่นบนต้องไปศึกษาเพราะมันจบกันแล้วเรื่องชีวิตนี่มันจบกันตอนนี้เคนสอนอย่างสารพกรจะสอนแล้วเหาเนี่ยไปเรียนได้ตำราคุณนี้่ยทำบุญอย่างนั้นได้อา น, นิสงส์เขานั่งกลับสายและไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนั้นแต่เกิดเป็นเทวบุตรไปอย่างนั้นแต่เกิดเป็นพระอินทร์พระพมอย่างนั้นแต่เกิดเป็นมรุสวัสดิ์อย่างนั้นเนี่ แล้วคนมีกิเลสากไปเกิดเป็นเทวดาได้ดนี้เขาเห็นเมื่อคนมีกิเลสอ่ะเขาบุหัวจักว่าเขามีกิเลสอยากไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ผมก็ได้จกได้มีหลายคนเนี่ยใช่ครับอันนี้คนมีกิเลสมาสอนกันให้มีกิเลสได้มากินสลัดได้ยังไงก็คนโง่ซะง้นมาสอนเนี่ยคนโง่ไปกินสนว่าผู้ชายผู้เดียวมีเมีมเมตั้งห้าร้อยคนนะี่แล้วคนในบ้านในเมืองเขานี่ยกรุงเทพนีมีเขาสองคนสามคนพลิกกันอยู่ทัมือ อันนี้คันมีเมียห้า้อยคนในี่อยู่ได้อยู่ได้ไดไดกินไม่หยางโดยเฉพาะพี่หนูที่ไปหั่นนะที่หมานี่นะไม่เรียวกว่าคนนั้นเขาไปบอกเลยนะของผู้ชายมีผัวเนี่ยเป็นผัวเนี่ยผู้หญิงที่ไปใส่ใจก็ญญไปบอกผู้ผัวจำนวนแล้วที่มีเวลาได้หลับได้นอนมันก็ตายไปแล้วก็เด็นตกนรกทางเต็มอันนั้นเรื่องเหมือนนรกก็ครับผมต้อเข้าใจว่าเหมือนนรกเหมือนสวรรค์นะครัคนมีกีเลทมันทีอยากไปเกิดเหสวรรค์อยากได้มีอะไรนน้นเป็นอย่างไร แในผู้หญิงบ่เนี่ยบุ๋มหัจักไม่ยังเนี่ยเขาเอาจักกระเสื้อไปได้บ่เนี่ยเจ็บยักของมันจะกักไปเป็นนางเทวดายักเป็นหัวเสือพวกเนี่มันขี้สวยขี้งามไม่ยังเป็นหนอนนรกเลยเราไปกลุมผิดกันไมดเที่ยงกันกุมปั้นเขาอยู่บนสวรรค์ก็เราไม่รู้ตกมาอตพื้นดินพวกนี้คอหักตายแล้วเนี่ยนะแล้วไปหันฮอดเหมือนที่นมันคือซอกตายมาที่ที่ใดโอ้หัวจากแบบนี้เนี่ยเขาจักไปเห็นอย่างบอสวรรค์ ผมก ja ็่อยากใส่ตังเต้เมื่อนั้นมาจะทำมือนี้ผมไม่อยากไปเลยทีเดียวอยากยื่งเมืองคนนี่แล้วเฮตไ้เฮตนายยุ่งน้ำมูนน้ําเพื่อนว่าไปตังเสียแล้วผมผมไม่อยากไปเลยแค่ตั้งแต่เมื่อนั้นมาผมไักอยากตังเตโอ้คนนี่มันบูฮจักมันสอนกันคนบูฮจักก็คนบู้จักมาสอนคนเมื่อกู้จักยังไงคนโง่มาสอนคนโง่มันสลายยังไงถ้าพวกเจ้าพยายามสอนคนโง่ให้สลาดขึ้นมาเป็นววน ซอนคนทําผิดพูดผิดคิดผิดแค่เข่ากลับคืนมาให้มันถูกต้องว่าจะเป็นวายกนและซอนคนมีทุกข์แค่เข่าหมดเพื่อนวากันผิดบอ่อขับมีลูกมีเมียซอนคนทุกบอ่อขับมันทุกอันน่ะเป็นวาซ้อนเขาแย่เขาเป็ น, ย น, ย อ, นอย่งสันงส้นจะ เ, เป็นว า, นนย า, นายเมียบวซอดอย่างนี้แต่ขาสิซ้อนให้ไปเกิดบนสวรรค์ไปเกดเทวดาคนได้ไปอยู่ในนี้นี่แหละ มันทพิรายฟังเ่าอ้คนนี้บุญเดมาจีหุ่นจักมันบ่มีหยาดเกิดขึ้นนะมันบ่มีปัญญาแต่ความจริงมีอยู่ทุกคนแค่ว่ามันไม่ได้ทำหน้าที่ออกมานนะเนื้อหาจะเอาเต็มเอาความคิจกรรมไปปรงไปแต่งออกงาไปแะโตปัญญาทแท้ๆโตสัญญาณนีมันนั่นนําหลักมาไปทุกครอหงอโยนเกียคลายๆคือของที่ควบมาอยู่นี่นะบ่มีผู้เดมมางไงงาขึ้นจากเสื่อง่ายหน้ามันขึ้นมา ห้องผูกปิดไว้ไปเนี่ยบ่มีผู้ใดมาหั่นเกลียวออกจากเถื่อไปเนี้มันเป็นอย่างไัเนี่เกลียวรถมันอัดแน่นเหนียวเกลียวบ่มีผู้ใดมาหมายออกจากเถื่อหั้นเขาอย่างจะแน่นท่านเอกบ่วแน่นยานรถมันคอนมันยอาอันคนนี่ก็คือกันอันมาซ่อนเขาจริงๆแต่ว่ายานโยมมุชชาเนี่ยยานโบได้กินเข้าเหมือนกิมมัชชาทําให้พุทธศาสนาเสื่อมเลยบ่แมนแน่นอันเว้าอยู่เดียวดีนี่แหละ ทำให้คนมีศรัทธาผู้ที่มีปัญญาอันเล่าอยู่เดยวนี้นี่แหละทําให้พุทธศาสนาจเจริญคนจะได้ดูของจริงนี่ยของจริงมันกระ ว, ว่าสัจจะเนี่ยอันนี้บทสอนของจริงเนี่ยวอลจะของโบจริงนั่นแล้วลวอลจะของโบจริงเจ้ากระว่าของโบจริงคุยกระว่าของโบจิงพ่อกระว่าของโบจิงให้โลกฟังลูกกระว่าของโบจิงให้โลกฟังมันก็ติดต่อกับของโบจริงทั้งหมดก็เลยบโบจิงจึงจากคือเนี่ย มันที่นีของจริงได้จังเลยท่านสัมมมันก็บโจริงแล้วคนว่าตัวตัวเองตัวผู้อื่นโอหกตัวเองโอหกผู้ อ, อื่นหมดลอกลวงหมดหน้าไหว้หลังลอกคนว่าเนี่ยคนบอกมากนคนหัวเลาะประจบเนี่เยคนว่าสัมม์ว่าหลายอย่างคนว่าหลักสูดรนักธรรมสติขึ้นบทแรกที่สุดทําที่มีปกำลามากสองอย่างหนึ่งสติคนระลึกได้หมด สองสัมปาทะยะกผมรู้ตัวมันลึกลับได้ยังไอย่างสั้นมันรู้ตัวไี่ยังไงยังสั้นมันบดแมื้อไงมันเบาซื้อแจ้งว่าที่มาไว้ป่ะนับมือแหละเดี๋ยวนี้จะออกพรรษาน่ที่พยายามไว้ตัวเขาเข้าใจกับเนื้อกับตัวเขาต้องพยายามพูดกันดีๆถ้าเขาพูดคํำยากขายจะคนก็เลิกคำยากคาหายคําที่โมดีก็เลิกว่าคํำยากกาอยู่กันเลิก มั่นทักทายข้าเจ้าญาณโยมมาเป็นยังไดโยมมีคนทุกข์คมเดือดร้อนยังไดโยมมีคนทุกข์คมร้อนย่ังใดจะไปเป็นอย่างใดโยมให้ตั้งจิตตั้งใจดีๆจิตใจของเขาคีดของเขามันบทุกอันโยมว่าทุกเดี๋ยวนี้เนี่ยโยมคิดเอาโยมคิดเอาผู้เดียวว่าโยมาทุกอันตัจิตตัวใจโยมจริงๆมันบทุกโยมคิดเอาคื่อวันนี้เขาก็ว่ากับพระกับเมรำ ไปจ้งได้คุณโน้นนี้ให้แข็นแลงต้อโบต้อก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาที่อันนี้คือเอื้อในการวิวัพัฒนาตัวเองฉันเป็นอย่างไรเนี่ยการพัฒนาตัวเองเนี่พัฒนาหลายอย่างพัฒนาการนั่งพัฒนาการข้ามการว่ายพัฒนาการยกมือยกเขายกมือไว้าตัวเองไหมครับบ่าไม่ยกมือไว้ายผู้อื่นไหมกเห็นคนยกมือไว้ายเขาเห็นเขาเฮ็ดดีเรือเขาเฮ็ดตัว ให้เขาเบิ่งทีก่อนอันนี้เขายกมือไหว้เห็นมันคนยกมือไหว้ยกมือไหว้เฮ็ดซื่อซื้ออะนั่นมันมีประโยชน์แด้เข้าใจมันบุได้เฮ็ดนี่เอาใจเฮ็ดคุณได้บอกว่าเอาชีวิตเฮ็ดคุณได้จว่ายกมือไหว้ตัวเองได้ให้ยกมือไหว้ผูอื่นให้เขายกมือไหว้ตัวเขาโอ้กูนี่ดีดีป่านนี้เด้ออาจารย์ใเขาเห็นใจเขาเห็นใจเขาดีป่านนี้คุณได้ครับอย่างยกมือไหว้ตัวเองเมื่อคนไหว้ผมหลายคนนี่ย บ้าจะยกมือไหว้พูงยาพู้หยิ่งยาโหยมันก็ยกอ้าวไ่ได้ยกมือไหว้ขับเจ้านะยกมือไหว้ว่าตัวเองมันมีดีขนาดนี้พี่นะผมเข้าใจอย่างซีนะแต่ก้อนผมผมเห็นผมดีอย่างซีนะผมเห็นคุณดีคนงามของผมผมก็ยกมือไหว้ตัวเองของผ ม, งผมพันว่าเพันว่ะยังตันซี่อๆนี่แหละพ่วนวะภควาตโตไปว่าโชคดีพันวาโช ค, คดีแล้วเขายัางมีชีวิตเขายัางได้ไหว้ตัวเอง คันโชคบ้ดีที่มีสิเดียวกับตายเราเข้าหลงก็โบ้ได้เห็นแล้วบ้ได้เห็นชีวิตผิดหลาตัวเองแล้วก็ทําผิดพูดผิดคิดผิดก็โบ้มีความสุขจะเคลื่อนเองคันโบ้มีความสุขที่เป็นประโยชน์เองก็ซื้อมาขี้เงินบ้ได้แล้วเนี่นเป็นอะไรมาขี้เงินบ้ไม่มีมันโบ้มีขนมันนอนอยู่แับนี้มันหนาวสั้นร้อนร้อนอยู่เขามีข้อหนัวไปโยนให้มันตุ๊กมันตื้นมันหนีซ้ำเนี่คันมันขึ้นมากับมากระมาอดีนขยันขยันเลยมันนอนเอ เพคนหักเขาเพคนสอนเขาเขาเกิดบุหุจักหาวคนวา้เขาจริงเนี่ยมาที่เทื่อมันเป็นอะไความคิดจิตใจคนตั้าซาเลวสามมันคิดอย่างไรถ้าหาวาคนมีสติปัญญาเพคนบอกคนสอนต้องเคารพนับถือเพ่นจังหวะผู้จักบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนนี้ผู้จักเคารพตนเอ ง, งอันนี้มันบุู้จักเลย Blue nee, พอฆ่าลูกกับหนี้เนี่ยครับข้าปืนไปหญิงผู้พ่อตายไปเดียวนี่ครับเป็นอย่างสันได้คนเนี่ยครับมันกินไม่ค้นเงาสันจะเป็นคนเดี๋ยวนี้เขาจะได้เป็นพยานเนี่ยครับพออะนรเนี่ยมันเป็นเป็นพยานกับเป็นอเงาสันแล้วครับหมดแล้วฆ่าพ่อตัวเองแล้วแล้วก็กินแต่เล้านั่นแล้วกินแต่เล้าเข้ากับัวามขมูที่เจ้าตันั่นแหะเป็นถ้าว่าฆ่าพ่อตัวเองแล้วกลับคืนมา นิสร้างตัวเองให้มันดีก็ดีครับคืออย่างพระเจ้าอสการ์ปตูนั่นแหละครับเป็นไหว้สั่งพ่อแม่ไหว้สั่งตกอยู่ในนรกเอาเองเดียวนี้นี่พระเจ้าอสกตตูต่บนวนตกอยู่ในนรกคุณสร้างโบสถ์สร้างสิ่งสร้างวิหารสร้างปุตติให้ว่าพระเจ้าอสการ์ปตูสร้างมดในประเทศอินเดียคุณบ้าอนันยังครอบงำอยู่พอปานสิ่ง แดดเดือนสามมันหนาวนั้นใส่นรกมันมันมันอุ่นพอปานนั้นมาสักหนึ่งโมโหไหลพอปานตีแดดอุ่นเดือนสามมาสันพอแม่ไว้ฟังข้าเจ้าสัจะสุเปชกจุมเหมือนนรกเจ้าเพิ่นขโบยเห็นหรอกเพิ่นกระชิวซื่อต่อกันมาทุกทีนี้แหละมันเป็นอย่ากันอันนี้ก็สุดท้ายให้หอกพุชจากเขารบนับถือโซเฮาให้หอกพูชจากเขาลบนับถือพ่อแม่เฮาให้เอาพูชจากเขาลบนับถือครูบาอาจารย์เฮา ทุกคนทุกหัวใจกันแล้วก็ลุกสิษกับพระลูกบาอาจารย์พระบาอาจารย์กบพลูกศิอันนั้นแล้วคนว่ายู่โดยสอบปฏิบัติสาพระรำได้ไหนแล้วควมสุขกระโบบรงที่หายใสใสมันก็มีไม้เหานี่แล้วคนทุกข์มันก็เกิขึ้นมาบูไดแล้วก็ขอทำถูกต้องนเ่ยที่ได้ให้ควอคิดเฉลี่เสลี่ยจิดเฉลี่ใจนี่กับสุขคนแล้ว ท้าที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมาน a r r ฟังธรรมะทีนสถานที่นี้อาตมาขออ้างนามว่าท่างของของพระพุทธเจ้าและคุณขอพระลันตาสาวกพระศาสนาของจะมาเตือนจิตจิตใจ พ, พวกเราให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนโดอยทางสุดท้ายว่าทั้งหลาย เราผู้เป็นตถาคตเอกแล้วแท่นั้นแล้วจะ น, นํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงฟื้นปฏิบักษ์สามอย่างเราตถาคุณี้ก็จะรู้จะเห็นจกเป็นจะมีอย่างเราตถ า, า, า, ถาคุณนี้เป็นแท้ๆอันเรื่องจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจเป็นปกติจิตใจคองใสจิตใจว่องไวสามารถตัดสินได้เพราะมหานา เพราะญาณใหญ่ที่สุดเป็นปัญญาญาอันนั้นคือว่าญาณ ข, ของพระพุท ธ, ธเจ้าเขาในที่เห็นเทระเล็กอน้อยกระดึเอ<ม>ื้อว่าเห็นเทระเล็กอน้อยไปพอให้ทุกคนทุกคนจงได้ประสบพบเห็นเขาในีวิธีเลื่อเวลาอันใกล้ีจงทุกทุกคนเออสารุ